แต่ว่าโดยมากกับคนมาในเมื่อมาเราก็ต้องต้อนรับกับสู้เป็นธรรมดาพราคนมาบ้านเราเราจะต้องต้อนรับอยู่ยังไงกินยังไงพักพ่อนยังไงนอนยังไงตีนอนบอนมุง้งอาหารการบริโภคทุกอย่างเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็ต้องช่วยกันต้อนรับกับสู้แต่มีคนถามว่า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 เพการพูดแม่กุญแจคนนั้นคนนี้มากุณแก่ เ, เออท่านเป็นกดหม้อไผ่ถ้าหากว่าเรามอบไผ่เนี่ยไม่ได้แล้วคนนั้นหรือคนนี้คนนี้กด ค, ค, คนนั้นเราไปลดเครดิตของเขาอีกอาบางคนเราเอาให้ไปแล้วเดี๋ยโรงตาบอกว่าเอาใครเอาให้อกนั้นเอาให้ไปบอกออกนะเอาคนนี้เข้าไป เ, าเป็นคนของท่านใช่เป็นคนที่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 เต็มไปหมดที่ศาลาข้างนอกอันนั้นคือวัดป่าบ้านตาดแต่ของเราก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าปีสองปีมันก็มีแนวโน้เหมือนกันมันก็อัดอย่างที่เห็นแต่มันคงไม่มากแต่มันก็มากสําหรับวัดเรามันก็ไม่มากเหมือนวัดหลวงตาแต่มันมากสําหรับสําหรับวัดเราอันนี้ก็คือเราจะต้อนรับขับสู้อย่างไร นี่จะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกองค์ต้องช่วยชวยกันคิดนแต่ก็ยังหลายวันนี่หรอกจากนี้ไปเมื่อรับเสด็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแ่ะจึงจะได้ช่วยช่วยกันเรื่องที่ที่นอนหมอนมุงเสือส้อสาตหมอนกองไว้ที่ไหนเก็บไว้อย่างไระอันนี้ก็ช่วยช่วยกันนะคิดไว้วางแผนเอาไว้แต่ส่วน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 แต่ปีนี้ก็คงจะมีคงจะมีอย่างเาก่านั่นแหละการของถวายพระเราก็ไม่มีไม่ได้เน้นอะไรปีนะี้เรายังไม่ได้เน้นอะไรคงจะตุกปัจจัยถวายเดี๋ยวใกล้ๆวันเรายังค่อยว่ากันเตรียมๆถวายจะตุกปจนะัจจัยนั่นท่านมาทางไกลถวายองค์ยังไงองค์ละเท่าไหรเท่าไหร่ค่อยว่ากันอันนั้นก็เรื่องของเรา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 เอาเ้าบ้านมาปรับสถานที่อันไหนเป็นหลุมเป็นบอ่ออันไหนที่มันไม่สะดวกสบายห้องน่องห้องน้ำลูกกงลูกกรปิดใส่กงใส่กรดูที่ผมเคยบอกนะั่นแหละเวลาไปดูกุฏิต้องดูถ้เกิเสียบกอนเข้าไปข้างในก็ดูเสียบกนดูทำไมนะเขาสวันไปเจาะแล้วไปสิวให้มันเรียบร้อยแต่ทาให้ได้เขา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 พวกท่านทั้งหลายเาไม่ใช่ว่าไปแล้วซื้อบือ้ซื้อหัวเที่ยวรวดก็ลาดกิเลสไปอไม่ดูกระทั่งกระโถนไม่ถูกกน็นั่งแกลวน้ําน้ําก็ไม่มีไม่รู้จะจัดยังไงอย่างพรไปกับผมบางองค์อไปจัดกุฏิแล้วหลวงพ่อจะมีใช้น้ํำยังไงใช้กระโถดยังไงไม่ได้คิดนะเพียงแต่ว่าจัดกุฏิที่นอ น, นะะแล้วก็แล้วอบางทีหลวงพ่อ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 แล้วเอกุญแจให้ด้วยกุญแจตามกุญต่างๆไม่ใช่ไม่ต้องใช้กุญแจดีหรอกแต่ใช้กุญแจดีเตัดยากเดี๋ยวลืมลูกกุญแจเป็นเรื่องใหญ่เอาลูกขนาดใช้ง่ายๆ่าห้อยง่ายๆเอาลูกกุญแจมีกุญแจห้อยดีที่สุดกุฏิแขกถ้าไม่กุฏิแขกสําคัญนะกุฏิเล็กๆน ใส่หูใสสายยูใ ส, ใ ส, ใสหูห้อยพอแล้วแล้วก็กุญแจให้ซื้อกุญแจไปให้กุญแจม่ไม่เท่าลายล็อกเพื่อความปลอดภยัยเวลามีอะไรของที่กุฏิเราจะได้ล็อกอย่าละรักษาไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปเปิดดูลระลาบระลวงห้องมันก็ไม่สบายใจใคลคยแต่ว่ามันไม่มีไม่เป็นส่วนตัว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 จอกนกกระสาไปกันนะให้มันจิกกินในจานจิกยังไงมันก็ไม่ได้ถ้มันปากมันแหลมในทีละเม็ดเน่ะมันจะตายเอาเด็ดแต่ี้พอม้าจิงจอกไปเจี่ยมนกกระสาเนี่ยนกกระสาก็เอาอาหารใส่กระบอกให้นกให้หมาจิงจอกกินมันก็ปากเข้าไม่ได้ใช่ไหอปากมันสั้นใช่ไหมปากมันใหญ่มันก็เลยไม่ได้กินอาหารอีกเหมือนกันมีแต่เลียอยู่ข้างนอกอผลที่สุดนะ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 ใครอยาทดลองทดลองดูนะเป็นยังไงกลางมุงเสร็จแล้วใต้ตะเกียงตะเกียงน้วมันกัดมันควันดำมันไม่ใช่แต่ควันดำมันจมูกตัวเองก็ดำด้วยใช่ไหมมันหายใจเขาน่ะควันดําัวตนตืตต่นเช้ามามันเข้าทั้งจมูกคนนอนน่ะเ <c oughs> นี่แหละสิ่งเหล่านี้เราเห็นหมดเพราะกลัวผีพูดง่ายๆยังไปกลัวอะไร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 อ, อนุ ت รสัมมาสัมโพธิญาณมั่นใจจากนั้นก็เดินจนพ้นทุกในเมื่อพ้นทุกหมดกิเลสแล้วท่านนี่นั่นแหละท่านยังในนำทำวิธีเดินมักวิธีปฏิบัติท่านทำอย่างไรท่านรู้ด้วยพระองค์เองจากนั้น ก, มนนนน ก, นนก็มา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 เราต้องเด็ดเดี่ยวต้องมั่นคงในเมื่ออยู่ตามลาพังอยู่ตามลาพังจริงๆภาวนาจริงๆนั่งภาวนาจริงๆทดลองดูสินั่งสักสามสี่ชั่วโมงไปไงทดลองดูมันปวดปวดที่ไหนอมันเจ็บเจ็บยังไงนั่งดูนั่งภาวนา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 แต่เมื่อหมู่พวกเพื่อนทํางานเราก็ช่วยๆปัดกวาดทําความสะอาดทํางานเหลื่มกันอันนั้นกันคิดเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เกื้อกูลหนุนกันอันนี้ก็บอกกล่าวให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านช่วยๆกันคิดนะเพราะว่าวาสานามันเป็นของพวกเราร่วมกัน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 ใจประเภทนั้ น, นเนราใจประเภทหมาบ้าหลวงพ่อว่าดนะมันมีเลมันมีอยู่กัดคนนู้นกัดคนนี้ไม่มองตัวเองเจตจิตประเภทได้สํานึกเนึ่งจิตประเภทหมาบ้านะชอบดูถูกคนอื่นเห็นคนอื่นไม่ได้ขวางตาดูถูกกระทั่งพระพุทธเจ้า อไม่ต้องดูถูกหลวงพ่อแล้วกันนะหลวงพ่อถ้าดูถูกก็พุทธเจ้าเราไม่ต้องพูดถึงหลวงพ่อล่ะเอเห็นนะมันมันดูถูกก่อนนะอบางคนก็ถามว่าจะทํายังไงหลวงพ่อหลวงพ่อวนะ่าน่ะจิตประเภทหมาบ้างมันก็ต้องมองตัวเองสิข้ามีดีอะไรถามตัวเองด้ ข้ามีดีอะไรมึงมีดีอะไรแต่แกเนี่คิดอย่างนั้นจะ แ, แกจึงดูถูกคนผู้มีพระคุณอย่างนั้นมีอะไรแต่แกมีดีอะไรเอาความดีออกมาซิไล่ให้เราได้ดูซิตัวเองมีดีอะไรถ้าตัวเองชั่วช้าลามกจกเปรตอยู่แล้วจะไปหาดูดูถูกผู้อื่นไปหาไม่เคารพผู้อื่นยัง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 อันนี้เราเคยเห็นเคยได้ยินแต่มันเคยมีนะอย่าให้มันเกิดขึ้นเวลามันเกิดขึ้นเน่ยตึงย้อนไปหาคุณงามความดีแล้วก็พุโทโธพุโทโธสามทับอย่าคิดอย่าคิดกิเลสกิเลสกิเลสต้องมองหน้าต้องมองหน้ากิเลสโลกโกรธหลงมักใหญ่ไฟสูงอไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ํา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 แต่มีแต่ใจเท่านั้นแต่ไหนที่จะเดินออกจากร่างนี้ไปเราจะไปไหนนอกจากบุญกับบาปพาไปไหถ้ามีบาปพาไปก็ไปตกต่ำถ้าบุญพาไปก็มีแต่ความผาสุกไปสวรรค์ชั้นไหนไปได้ทั้งนั้นเราขอให้พวกเราทุกขั้นนะลูกหลานทุกองนะตั้งอกตั้งใจภาวนาเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินที่นี่นะจากช่วงระยะหนึ่งคอยเลิกกัน